บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งพระพุทธดำรัสที่ศาสตร์แก่ท่านกัปปะมานุได้ทรงยอมรับถึงความจริงของโลกตามที่ท่านกัปปะมานุปได้กราบทูลว่าโลกนั้นต้องหมุนวนอยู่ ในสังสารวัฏเพราะมีตัญหามีกิเลสทั้งหลายบังเกิดขึ้นจึงประสบภัยด้วยประการต่างๆและถูกความแก่ความเจ็บความตายหอมล้อมอยู่เป็นการแสดงถึงสัจจะของชีวิตในสายของทุกขสัตว์แต่สายของสมุทัยสัตว์ผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะมองเห็นว่า แม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปถึงสี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็ตามแต่แท้จริงแล้วก็เป็นเรื่องของสองกลุ่มคือกลุ่มของทกขสัตว์กับกลุ่มของสมุทัยสัตว์กลุ่มของสมุทัยสัตว์หรือกลุ่มของกิเลสคือเหตุแห่งความทุกข์ต่างๆนั้นในที่นี้ก็ยกเอาเรื่องของตัณหาทั้งสามซึ่งมาเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของ บุคคลทั้งหลายแล้วก็ก่อให้เกิดภัยนานาประการในชีวิตของบุคคลต่านันแต่เมื่อชีวิตของบุคคลยังดำรงอยู่ในสังสารวัตก็ต้องประสบด้วยการห้อมล้อมหรือเกี่ยวข้องผูกพันกับชาติคือความเกิดชราความแก่และพรณะความตายอยู่ดั่งไป ดังนั้นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงจึงทรงแสดงในแนวใดแนวหนึ่งแต่เมื่อบุคคล ร, รู้ความจริงในแนวเหล่านั้นแล้วปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีของกลุ่มธรรมะนั้นก็จะแก้ในสายอื่นๆได้แล้วก็สร้างภาคตรงกันข้ามขึ้นมาได้ในกรณีนี้สมมติว่าบุคคลปฏิบัติจนระดัญหาได้ สังสารวัตก็ดีภัยก็ดีชาชรามณะก็ดีก็ดับตามไปซึ่งก็หมายความว่าโคนเหล่านั้นก็ได้ผลคือความสุขความสงบมันเป็นส่วนของนิโรธแต่การปฏิบัติที่จะเกิดผลจนจนถึงเป็นการระงับดับตันหาไปได้นั้นก็ต้องเดินไปตามอริมารมีองแปประการเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องของอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการที่ครบชุด แม้จะปรากฏเพียงสองแต่ว่าในเชิงปฏิบัติแล้วก็ต้องครบทั้ง4ประการด้ในกรณีของการที่บุคคลมองเห็นในแง่ของสังสาระทุกข์ก็นี้เพิงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงแส ด, แดงถึงสังสาระทุกข์คือทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏไว้เป็นหลายระดับด้วยกันขอเพียงแต่บุคคลได้ศึกษาถึงความจริง กำหนดรู้ถึงความจริงเหล่านั้นแล้วปฏิบัติไปตามสมควรแก่ลักษณะของธรรมะก็จะก่อให้เกิดผลคือความเปลี่ยนแปลงในทางที่สูงขึ้นประนีตขึ้นสงบขึ้นโดยลำดับเราตามมาเทศนาในแนวนี้ก็อาจจะสรุปได้เป็นชั้นๆหรือสังสารวัติในถือว่าเป็นชั้นที่ทรงประสงค์จริงๆ แล้วก็เป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาจริงๆต้องการที่จะให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏนั่นจริงๆ จ, จนถึงก็เรียกผู้ปฏิบัติในกลุ่มนี้ว่าภิกษุที่แปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเป็นเป้าหมายของขันการปฏิบัติชั้นสูงสุดที่พระีภทธเจ้าเสด็จออกผนวดก็เพื่อต้องการจะแกะจัดภัยในสังสารวัฏส่วนนี้ นั่นก็คือการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดข้ามภพข้ามชาติดีบ้างไม่ดีบ้างสูงบ้างต่ำบ้างหยาบบ้างประนีบ้างเป็นต้นอยู่ตามแรงของกรรมนั่นก็คือเรื่องของความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติขึ้นคือของมีอยู่โดยเงื่อนไขของธรรมชาติเองแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสอนธรรมปฏิบัติ ในชั้นที่จะลดความรุนแรงของสังสารทุกข์ความรุนแรงในชั้นของการต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารทุกข์ไว้ทั้งในชั้นธรรมดาสามัญทั้งในชั้นการปฏิบัติแต่ทั้งในชั้นที่จะให้หลุดพ้นอย่างแท้จริงในชั้นธรรมดาสามัญ น, นั้นจะเห็นได้ว่าก็มุ่งเน้นมุ่งเน้นไปที่ขั้นศีลเป็นเบื้องต้น คือมุ่งให้บุคคลปฏิบัติสงบหรืองับตัวเองอย่างน้อยในชั้นกายกับชั้นวาจาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้พฤติกรรมของตนที่แสดงออกทางกายทางวาจาเป็นพฤติกรรมของสัตว์นรกเป็นพฤติกรรมของสัตว์ดิเรกชานเป็นพฤติกรรมของเปรตหรือเป็นพฤติกรรมของอสุรกายลักษณะของนรกดิเรกชานเปรตอสุรกายนั้นโดยสภาพของชีวิตแล้ว ตัดนรกก็คือชีวิตที่ถูกแผดเผาเร่าร้อนรุนแรงที่ทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนกระหลุมฐานเพลิงที่บุคคลตกไปจะมีความเร้าร้อนรุนแรงทุกทรมานมากเดชะน์หรือกำเนิดของสัตว์เดชะน์นั้นจะเป็นสภาพชีวิตที่เหมือนกับบุคคลต้องไปอยู่ต้องไปอาศัยในที่ที่คับแคบ ติดอัดเดือดร้อนสภาพชีวิตแบบเปรตก็เหมือนกับคนที่ตกลงไปในหลุมสกปรกเป็นหลงบุจาระเป็นต้นแบบวัสุรกายก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะ้โดยสภาพของชีวิตเช่นนี้ไม่เป็นชีวิตที่ไม่มีใครต้องการปราัถนาจึงทรงแสดงอุปมาให้เห็นว่าถ้าใครปฏิบัติไปในลักษณะลอกเรียนกริยาของ สัตว์นรกทิ่รารพวกเปรตพวกสุรกายมันก็เป็นเช่นนั้นเมื่อลดละพฤติกรรมต่างๆลงไปได้ในชั้นต่อไปก็ทรงสอนให้แก้ที่การดำรงชีวิตของบุคคลคุณภาพชีวิตของสัตว์นรกนั้นก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยโทสะกิเลสสายโทสะที่เกิดขึ้นเพราะหลนใจตัวเอง ถ้ารอยกิเลสสายนี้เผาล่นใจมากในขณะนั้นใจมันก็ตกนรกจรทรงสอนให้ลดละเรื่องของโทสะด้วยวิธีการต่างๆทรงชี้โทษของโทสะบ้างทรงยกย่องการฆ่าความโกรธได้ทรงยกย่องคนที่ไม่ทําอะไรไปตามหนาาของความโกรธเป็นต้นเพื่อเป็นการกระตุน้นเตือนจิตใจของบุคคลให้มองเห็นโทษของความโกรธ และไม่รู้อำนาจแก่ความโกรธใจก็จะไม่ถูกเผาลนด้วยกิเลสคือความโกรธในลักษณะที่แรงพอแต่แรงในขณะนั้นใจก็ตกนรกแต่แรงกว่านั้นกายก็ตกนรกด้วยในเรื่องของดิริชา น, นั้นที่จริงก็เป็นอาการของโมคะคือขาดเหตุผลขาดสติปัญญาทำอะไ ร, ร, รไปตามสัญชาตญาณความต้องการที่บังเกิดขึ้น เป็นลักษณะสนองตอบความต้องการของตนโดยไม่เคยคำนึงถึงเรื่องของอะไรเพราะเป็นใจที่ประกอบด้วยโมฆะปรารถนาได้อะไรก็ยื้อแย่งต่อสู้ประหัตประหารกันเป็นอาการของโมฆะเพราะงั้นเมื่อแสดงโลภะก็แรงแสดงโทสะก็แรงพระโมฆะอยู่ภายในใจพระพระเจ้าก็สอนให้บุคคลพยายามลดความรุนแรงในด้านโมฆะลงไป ไม่ให้เป็นดิราิชาในเชิงพฤติกรรมไม่ให้เป็นดิราิชาในเชิงจิตใจให้จิตใจหลุดพ้นจากความเป็นดิราิชาคือหลุดพ้นจากโมหะนั่นเองแต่โมหะในชั้นของการหลุดพ้นนั้นก็คือหลุดพ้นตามแนวของกุศลกรรมบทที่ทรงแสดงไว้คืออย่าหลงออกจากคันลองของธรรมถึงแม้จะมีหลงอยู่บ้างก็ตามแต่อย่าถึงก็ออกนอกลูนนอกทางกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไป ในด้านของเปรตเป็นสภาพจิตที่หิวโหยซึ่งเกิดขึ้นจากโลภะหรือโทโลภะหรือราคะนั่นเองบางครั้งก็แสดงออกมาเป็นรูปธรรมว่าเปรตนั้นเปรตนั้นหิวโหยอยู่ตลอดระยะเวลาไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอกินอะไรเข้าไปก็ไม่เคยหายหายหิวท่านก็ชี้เป็นรูปธรรมว่ามีท้องตะปูเขามีปากทรลุเข็ม โดยภาพอย่างนี้ก็กินยังไงก็คงจะไม่อิ่มก็ส่งสอนมาในชั้นที่จะไม่กระทำอะไรในลักษณะนั้น ต, ต่อตึงไม่ตะกราไม่ตะกราบไม่หมูบบามในการรับประทานเป็นต้น ส, สอนกันมาเรื่อยๆพอมาถึงชั้นจิตก็ส่งสอนให้คุมจิตอย่าให้ถึงกันโลภอยากได้ของของคนอื่นแม้จะมีความโลภอยู่ภายในใจ แต่ก็ควบคุมความโลภเอาไว้หญ่ถึงก็ผิดศีลผิดธรรมไม่โลภอยากได้ของคนอื่นเขาที่รนนักษาสารสุรการนั้นที่จริงก็เรื่องของโลภที่แรงขึ้นใช้วิธีหลอกลวงเขาใช้วิธีปลอมแปลงใช้วิธีหากินในทางไม่ชอบไม่คล่วนติจาว้านทัว่วไปพูดว่าผีหลอก ก็คือลักษณะของอสุรกายแต่ในที่นี้ก็หมายถึงการที่บุคคลพยายามทำใจกันตัวเองไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภที่รุนแรงมากเกินไปจนถึงกับไปหลอกลวงบุคคลอื่นซึ่งในชั้นนี้ถ้าหากว่าบุคคลประพฤติได้ปฏิบัติได้มันก็แก้ปัญหาในด้าน การตกอบายในชีวิตประจำวันลงไปได้ในชั้นต่อไปก็คือการสอนให้มองเห็นคุณค่าความดีของความเป็นมนุษย์แล้วให้เป็นมนุษย์ด้วยพฤติกรรมได้แก่ปกติกายปกติวาจาในชั้นของศีลจากนั้นก็ควบคุมในด้านจิตใจของตัวเองคำว่า ม, ามนุษย์จึงแปลว่าสัตว์ที่มีใจสูง สัตว์ที่มีเหตุผลสัตว์ที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ซึ่งก็หมายความว่าระดับจิตในชั้นของมนุษย์นั้นคือระดับจิตที่กระจัดโมฆะเจือจางเบาบางลงไปจะมีความโลภก็คุมความโลภไปได้มีความโกรธก็คุมความโกรธไว้ได้เพราะใจไม่จนไม่หลงจนถึงกับมืดปอดไป ในิจใจเกิดในชั้นของของมนุษย์พระพระเจ้าทรงแสดงหลักพื้นฐานที่สําคัญคือกุศลกบฏ ท, ทั้ง10ประการอย่างที่ทราบกันพระตกะถาจารย์อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าดสัาากุสละกับ ม, มาประธาบรรณุสธรรมานามะกุศลกบฏสิบประการชื่อว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์ อาการที่แสดงออกทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีนั่นจะเป็นการสะท้อนมาจากใจถ้าใจไม่โลภจนถึงกระุนแรงใจไม่โกรธจนถึงกระุนแรงใจไม่หลงจนถึงกระุนแรงก็คุมไม่ได้ทุกจุดทั้งกายทั้งวาจาต่าวๆจะจะกลายเป็นสุดจริตไปในชั้นท่องเที่ยวไปของจิตอีกชั้นหนึ่งนั้น ก็เดินขึ้นไปสู่ความเป็นเทวะคือความเป็นผู้ประเสริฐเทวะโดยพบโดยชาตินั้นก็หมายถึงการบรรเกิดในกำเนิดเป็นเทพในชั้นสมมุติก็หมายความว่าเกิดในกำเนิดของพระราชามาหากษัตริย์ในชั้นก้องจิตใจก็ทรงแสดงถึงหลักปฏิบัติที่จะช่วยให้บุคคลผู้ปฏิบัติ สามารถลดละความโลภโกรธหลงได้สูงยิ่งขึ้นโดยมีคุณธรรมภายในใจคือเรื่องท่องคิริความละอายต่อบาปโอตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเพื่อสามารถควบคุมจิตใจตัวเองเอาไว้สามารถปิดกั้นกระแสของอกุศลไว้ได้โดยอัตโนมัติ คือแม้ความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นก็รู้สึกขยะขยงความคิดต่อ น, นั้นตัดสินวิจัย ใ, ในความคิดของตัวเองแต่ก็หยุดความคิดต่อ น, นั้นเอาไว้ในข้อ น, นี้พระผู้มีพภาคจะได้ทรงแสดงถึงในชั้นของความจริงว่าไอคนที่สามารถสกัดกั้นบาปอากุศลเอาไว้ด้วยหิรินั้นมีอยู่จำนวนน้อย เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทันทีทันควันกันทีเดียวพอใจเกิดจกนึกไปในทํานองของอกุศลฮิริก็ปิดกั้นได้ทันทีไม่ปล่อยให้อกุศลเหล่านั้นจเจริญเติบโตขึ้นภายในใจและให้ตกไปจากใจเพราะการปฏิบัติในลักษณะนี้จึงต้องอาัยพื้นฐานของธรรมะที่สูงขึ้นที่จะรักษาสภาวะจิตที่เป็นเทวะคือผู้ประเสริฐอาไปได้ ที่อัตตาจะต้องมีกําลังมากมีภูมิต้านทานต่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลได้รวดเร็วในชั้นหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเรื่องของบาปอกุศลห ย, ยาบหยาดแต่อีชั้นหนึ่งแม้แต่ในขณะของความคิดรูบเดียวขณะเดียวที่ทรงสอนในพิจารณาว่ายาดูมินยาดูมินไฟว่ากองมันเล็กยาดูมินอสราพิษว่าตัวเล็ก อย่าดมินกิเลสว่าน้อยหรือบาปอกุศลว่าน้อยแล้วจะไม่ให้ผลซึ่งกวาหมายวามว่าการจะมองเห็นจุดเล็กๆว่าเป็นอันตรายได้พื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลนั้นจะต้องสูงรีอโอตระปะมีกำลังสูงขึ้นภายในใจพราะกลายเป็นเทวะในขณะจิตใครทำจิตได้อย่างนี้อย่เรื่อยๆก็เป็นเทวะในเรื่อยๆ เป็นเทพประบุตรเป็นเทพติดาในอัตภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์นี่เองแต่ในเชิงการปฏิบัติแล้วก็สูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นซึ่งหมายความว่าด้วยสังสารวัตรนี้เองสังสารวัติในชั้นที่เป็นพบเป็นชาติบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะในชั้นนี้ก็บังเกิดเป็นพรหมลักษณะที่เรียกว่าลงตัวเลยประรมนั้นเกิดด้วยภูมิของฌาน ท่านที่บรรลุฌานแล้วเมื่อทำกากริยาจากไปก็ต้องอุบัติบังเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกแต่การจะรอเป็นพรหมในพรหมโลกนั้นก็เป็นอีกช่วงหนึ่งอีกระยะหนึ่งเพื่ศาสนาเน้นที่ปัจจุบันธรรมต้องการให้คนทำอะไรให้เป็นอะไรเสียดในปัจจุบันแล้วก็สอนทรงสอนธรรมะในชั้นที่จะให้เป็นพรมหมโดยหลักของพรหมิหารทั้งสี่ประการเป็นต้น แต่ชั้นหนึ่งจริงๆก็คือชั้นของสมาธินี่เองที่ทรงสอนในบุคคลปฏิบัติเพื่อสามารถส ง, งบใจไว้ได้หรือสยบอำนาจกิเลส ไ, ได้ให้ใจของตนมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ต่างๆในชั้นของส ม, มถะที่ส ม, มถะกรรมฐานที่เราเรียกว่าอารามณูปนิชฌานคือการเพ่งดูอารมณ์ อารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางตาก็ตามทางหูก็ตามและทางจมูกก็ตามทางลิ้นก็ตามหรือแม้ทางกายก็ตามพวกนี้ที่จึงอารมณ์นั้นแก่ก็เป็นกลางกลางแกก็เป็นอย่างที่แกเป็นส่วนจะมีผลต่อจิตใจของบุคคลอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนรับรู้อารมณ์เหล่านั้น พระเจ้าก็ทงแส ด, แดงอารมณ์ประเภทที่เรียกว่ากรรมฐานเป็นไปที่ตั้งของการงานในด้านจิตใจของบุคคลแต่พระว่าจิตใจของบุคคลโดยทั่วไปนั้นจะไวต่อราคะไวต่อโทสะมีการกำหนดอารมณ์ในแนวนรักนแนวชังอยู่มากเกิชอบใจไม่ชอบใจอยู่มากแต่นั้นเพื่อให้จิตใจของบุคคลมีความเข้มแข็งเสียก่อน แต่ต่อไปก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์เหล่านั้นได้ในตอนแรกๆ ก, ก็งดเว้นอารมณ์ที่มีลักษณะวัยต่อข้าศึกคือกิเลสเสก่อนอารมณ์กับปัญฐานจึงจะมีลักษณะเป็นกลางๆคือเอาเป็นอัพยาคตธรรมกับเป็นกุศ ล, ลธรรมจะไม่มีอารมณ์ในลักษณะที่เป็นอกุศ ล, ลธรรมสมัครกาหนดระลึก ไปเชื่ อ, อกุศลภายในใจของบุคคลมีมากอยู่แล้วคือระลึกอารมณ์ในลักษณะนั้นตอนตอน้ตนๆแทนที่จะลดบาปลด อ, อกุศลลงไปได้มันก็จะกลายเป็นการเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลการปฏิบัติในชั้นนี้ประเด็นที่สําคัญคืออยู่ที่อารมมโนปนิชฌานคือการเพ่งอยู่ที่อารมณ์เหล่านั้นโดยใช้สติความเพียรสัมภิชฌะกําหนดระลึกเพื่อให้เกิดความสงบ ลักษณะของพรมิหารที่จริงก็แนวเดียวกันเพราะพรมิหารก็คืออารมณ์ของสมถกรรมฐานเหมือนกันซึ่งหมายความว่าให้ใจอยู่โดยเมตตาเพื่อสามารถส ง, งบราคะได้ส ง, งบอคติได้เพื่อ ใ, ใจอยู่ด้วยกรุณาเพื่อสามารถส ง, งบอารมณ์ที่เรียกว่าวิหิงสาคือความคิดเปลี่ยดเปลี่ยนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ ส, สามารถสงบความรู้สึกเป็นโศกเสียใจเวลาคนอื่นประสบความทุกข์ทแทนที่จะช่วยกันแก้ปัญหาตัวเองก็เกิดความโศกขึ้นมาครอบคําำใจเสียทาใจของตนในอยู่ด้วยมุติตาก็เพื่อจะสามารถขจัดความริษยาและความอยากมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของบุคคลอื่นออกไปจากใจเธอทใจอยู่ด้วย อุเบกขาก็เพื่อขจัดความรู้สึกลําเอียงที่เรียกว่าอาคาติจะจะเกิดเพราะรักใคร่กันเพราะไม่ชอบกันเพราะความหลงหรือเพราะความกลัวในขณะเดียวกันก็ป้องกันความรู้สึกในลักษณะรักชังเพราะตามปกติใจคนจะสายไปด้วยอํานาจความรักความชังหรือว่าชอบไม่ชอบสำนวนในทางาศาสนาท่านใช้คําว่ายินดียินร้าย ถึงมักจะเคยมักจะได้ยินอารมณ์ที่ท่านใช้ทัพบาลีว่าอิทธารม์กับอนิทถารมณ์ก็รมที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาไอ้ที่จริงอารมณ์มันก็คืออารมณ์ก็เป็นกลางกลางของมันอย่าถามว่าน่าปรารถนาของใครก็ไม่รู้ของใครพราอารมณ์อย่างเดียวกันนั้นคนหนึ่งปรารถนาคนหนึ่งไม่ปรารถนาอารมณ์ที่คนหนึ่งไม่ปรารถนาอีกคนหนึ่งก็ปรารถนา นั้นขึ้นอยู่กระจายของบุคคลผู้กาหนดอารมณ์เรานั้นแต่แทนที่จะไปกําหนดไกลยอย่างนั้นพระศาสนาก็ให้กําหนดในแนวกุศลโดยนิยามอังกล่าวมาแล้วให้กาหนดด้วยเมตตาโดยกรุณาโดยมุทิตาเวลาใครประสบความพุกข์ทุกขเดือดร้อนก็ทําใจเป็นอุเบกขาได้ไม่มีทั้งดีใจไม่มีทั้งเสียใจในความพุกขัดุกขเดือดร้อนของบุคคลเราเนี่ย และโดยการปฏิบัติในชั้นนี้เมื่อถึงชั้นหนึ่งจิตใจมีความสงบขึ้นประนีตขึ้นสงบกิเลสได้สูงขึ้นบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นพรหมในขณะนั้ น, น, นเป็นพรหมในขณะจิตแต่ จ, จะเป็นพรหมได้นานๆ ห, หลายชั่วโมงหรืออาจจะเป็นทั้งวันแต่พอถึงชั้นของสมาธิมันจะเป็นได้ตราบเท่าที่สมาธิยังไม่ตกไปจากจิต เดวสมาธิยังไม่กำเริบคือยังมีความส ง, งบอยู่พอมาถึงชั้นของฌานก็จะอยู่ด้วยพรมเป็นฌาน อ, อย่างนั้นดังนั้นท่านเหล่านี้มักจะยินดีในเรื่องของความสุขเพราะเป็นความส ง, งบความปีติความสุขที่แปลกใหม่ขึ้นไปในชีวิตทั่วไปบุคคลจะไม่ได้ประสบความสุขในลักษณะนั้นแต่จะติดอยู่ในความสุขเหล่านั้น เิเพลินอยู่ในความสุขต่อนั้นวิธีการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่โปรดให้อยู่ในจุดนี้พระจะทำได้เฉพาะประโยชน์ของตัวเองคือทำไปแล้วท่านก็ไปติดสุขอยู่ไปหลบอยู่ในป่าในถ้ำในเขาไม่ยอมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรแต่นั้นตอนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรในสำนักอะสนักอุตกระดาบทจึงถือว่าจบสุตรนี้ จริงก็ไปเกิดในพรหมโลกแต่ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางที่แท้จริงเพราะไม่สามารถจะช่วยโลกได้หรือว่าช่วยได้ก็ช่วยไม่สามารถได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏได้และสังสาระทุกข์ได้ในชั้นนี้ถือว่าสุดยอดของสังสาระทุกข์คือถ้ามองในแง่ของโลกก็เป็นความสุขในชั้นโลกเพราะว่าท่านบังเกิดในเป็นพรหม เสวยความสุขอยู่ด้วยชั้นชั้นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ก็แล้วแต่ว่าอยู่ในชั้นไหนแต่ถ้ามองจากสูงคือมองจากพระพุทธเจ้ามองพระอาราหันต์ท่านมองก็ถือว่าเป็นทุกข์เพราะยังหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏและการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาในชั้นหนึ่งจึงเป็นโลกุตระหรือที่เราเรียกว่าโลกุตระกุศลคือไม่ได้มุ่งผลคือความสุข ไม่ได้มองผลคือความเป็นในภพชาติแม้ที่จะประณีตอย่างไรก็ตามนั่นก็คือการเปลี่ยนพยายามปฏิบัติตั้งแต่ขั้นของวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นไปแต่ก็ะใสพวกระดับพื้นฐานเบื้องต้นที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นบันไดรองรับหรือเป็นฐานรองรับเพื่อยกระดับจิตของตนเองขึ้นไปเมื่อถึงจุดหนึ่งก็เข้าถึงสภาพที่เป็นพระอริยะ อันที่จริงพระอริยทั้งสามประเภทแรกก็ยังอยู่ในสังสารทุกข์แต่ถ้ามองจากข้างล่างก็ถือว่าบร ม, มสุขแต่ถ้ามองจากข้างบนคือพระอาหารหันต์ท่านมองท่านก็ยังเห็นว่าอยู่ในทุกข์อยู่เพราะยังต้องเกิดในสังสารทุกข์ทุกรูปประโสะดาบันเดงก็ต้องเกิดพระจักกธาคามีก็ต้องเกิดพระอนาคามีก็ต้องเกิดอีกชาติหนึง่งคือสรุปว่ายังมีพบยังมีชาติ จะไม่หลุดพ้นอย่างแท้จริงแต่ว่าเป็นพระที่เที่ยงแท้แน่นอนไปต้องหลุดพ้นจากสังสารทุกขั้นการมองภายในสังสารวัตรในแนวของพระพุทธศาสนานั้นคือไม่ใช่ไปยุติสังสารวัตรไม่ให้เกิดขึ้นแต่ไว้แก้ปัญหาที่คนแต่ละคนเมืคนแต่ละคนมองเห็นโทษของสังสารวัตรแล้วก็พยายามหลีกหนีความทุกข์เหล่านั้นขึ้นไปโดยลําดับ เตื้อทุกน้อยลงให้มีความสุขเพิ่มขึ้นโดยการสอนธรรมะโดยการแสดงธรรมะเข้าไปในที่เหล่านั้นในเรื่องราวเหล่านั้นใครน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติได้ผลคือความดีงามก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นหลุดพ้นจากพฤติกรรมของสัตว์นรกของสัตว์ชั้นฉันของเปรตของอสุรกายไปได้ในเบื้องต้น ในชั้นต่อไปก็ปรับจิตใหนะ้อยู่ในจุดของมนุษย์มีพฤติกรรมทั้งที่แสดงออกทางกายทางวาจาแบบมนุษย์ตามครองของกุศลกรรมบททั้ง10ประการเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านทั่วไปในชั้นต่อไปก็คือการพยายามพัฒนาพฤติกรรมให้เป็นเทพในร่างมนุษย์ให้เป็นพรหมในร่างมนุษย์แล้วก็ให้เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นอริยะในขณะจิต โดยกา ร, รเพิ่มพูนธรรมะให้สูงขึ้นกิเลสลดละส ง, งบบรรเทาลงไปยามใดที่ใจสูงกว่าอำนาจของอารมณ์ยามนั้นก็เป็นมนุษย์ในย่านใจยามใดที่ใจสามารถยุติกระแสของกิเลสไว้ได้ปีกั้นกระแสกิเลสไว้ได้ยามนั้นก็เป็นเทวะเป็นเทพยามใดที่ใจสยบอำนาจกิเลสเอาไว้ เป็นสยบพยาบาทไว้ด้วยเมตตาสยบผู้หญิงสาไว้ด้วยกรุณาหรือสยบฤทธิษยาไว้ด้วยมุติตาสยบอัตติไว้ด้วยอุเบกขาแล้วก็เป็นพรหมในขณะนั้นๆโดยพระธรรมได้สูงขึ้นไปกว่านั้นคือได้บรรลุฌานมันก็เป็นพรหมได้นานกว่าและเมื่อตายไปแล้วท่านเหล่านั้นก็จะเป็นไปตามคติของท่านคือจะเข้าถึงสังสาระที่แท้จริง กรเวียนใบาตายเกิดอย่างกรเวียนใบาตายเกิดแต่ก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายที่เรียวกว่าปิดประตูอบายได้แล้วเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูพรหมโลกทําตนใกล้มรรคผลนิพพานข้าไปได้ปัญหาสําคัญจึงอยู่ที่การพยายามกําหนดรู้ในแต่ละส่วนของธรรมะเหล่านั้นแล้วประตูปฏิบัติอนุวัติคล้อยตามหลัก ที่ส่งแสดงเอาไว้ที่ส่งใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมโอกาสที่บุคคลจะได้สัมผัสคุณเหล่านั้นในชั้นนั้นๆก็จะเกิดขึ้นได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึก ต, ต่อไป